บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการไปบัติกรรมฐานนั้นเป็นภาษาที่ท่านใช้เรียกในตอนหลังรปะว่าการงานที่บุคคลพึงกระทำในด้านจิตใจแบ่งออกโดยสรุปเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุรแรกเรียกว่าสมถกรรมาฐานเป็นอุบายวิธีที่ทําใจของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อย่างไดอย่างเดียที่ท่านเรียกว่ากรรมาฐานพอใจเป็นเหนียวไว้ไปเป็นระลึกไว้กับอารมณ์นั้นๆั้นจนใจสงบแน่ๆอยู่กับอารมณ์นั้นๆอีกแนวหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐาน การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เราประสบพูเผ็จในชีวิตประจำวันให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะตามปกติแล้วชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นมีการปฏิเสธความจริงและไม่ยอมรับความจริงกันอยู่เป็นนันมากเมื่อความจริงเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการปฏิเสธความจริง ที่เราต้องเดือดร้อนเพราะความแก่เดือดร้อนเพราะความเจ็บเดือดร้อนเพราะความตายเดือดร้อนเพราะการพลากรัสูญเสียทั้งๆ ท, ที่สิ่งทั้งสประการนี้เป็นปกติธรรมดาของชีวิตที่ทุกชีวิตซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกแล้วไม่มีใครสามารถจะปฏิเสธได้แต่บรรใจเราไม่ยอมรับใจปฏิเสธเวลาประสบเข้าก็มีความเดือดร้อน การมองแนววิปัสสนากรรมฐานก็คือมองให้เห็นตามความเป็นจริงและปฏิบัติตนให้อยู่ได้ตามกลความเปลี่ยนแปลงเราั้นถ้าเราจะดูง่ายๆก็คล้ายๆกับความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติตามธรรมชาติมีฝนตกมีความหนาวมีความร้อนมันเกิดขึ้นถ้าเรามีการรู้เห็นตามความเป็นจริงล่วงหน้ามันก็จะมีการเตรียมกายเตรียมใจเอาไว้ สามารถเผชิญภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากหนาวจากร้อนจากภัยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าความรู้เห็นทาความเป็นจริงเกิดขึ้นเมื่อภัยอันตรายเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหนานิดหน่อยแต่คงจะบรรเทาความรุนแรงจากภายัยธรรมจากภัยอันตรายเหล่านั้นไปได้แต่ถ้าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยเราไม่ยอมรับรู้หรือไม่รู้ อันตรายถึงแก่ชีวิตก็เกิดขึ้นได้เพราะนจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรื่อ ง, องกรรมฐานก็คือเป็นเรื่องของชีวิตเพียงแต่ฝึกเปลือยมีการควบคุมจิตใจให้มีความสงบจากความเหนียวนึกความสึกนึกถึงสิ่งหรืออารมณ์อันเป็นค่าสึกต่อความสงบตลอดการปฏิวัติจริงๆแล้วท่านวางไว้เป็นหลายระดับ ดับแรกที่มีการไหวพระสวดมุนกันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะน้อมใจเข้าอยู่กับบทที่เราสวดสรรเสริญในขณะนั้นกายเราก็สุจริตคือไม่ทําชั่วอะไรวาจาก็สุจริตคือเปล่งวาจาสรรเสริญคุณพระัตนตรัยใจมีการเหนียวนึกตรึกนึกถึงบทที่เรานํามาสวดสรรเสริญ ถึงไ้เอาก็มีการตรวจสอบดูจะพบ ว, ว่าสภาพจิตในขณะนั้นดีกว่าในยามปกติธรรมดาทั่วไปตอนนี้เรามีการควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจอยู่ในระดับหนึ่งในการต่อมามีเจตนางดเว้นตามบทปัญญาของศีลทั้งห้าประการมันเกิดขึ้นโดยกุศลและเจตนาที่มีการศึกษาเห็นโทษของการละเมิดศีล เห็นคุณค่าของการมีศีลเห็นความสุขความสงบที่เกิดขึ้นจากการมีศีลแล้วก็อยู่ร่วมกันของผู้มีศีลจึงตั้งใจสมท า, านปฏิบัติตามบทบัญญัติของศีลเหล่านั้นแต่เาจะสังเกตได้ว่าบทบัญญัติของศีลทั้ง5ประการนั้นเป็นปัญหาทาวอดของโลก ยามใดที่มีการละเรมเิดศิทธอันตรายรุนแรงก็เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกไม่ระดับมหายุทธสงครามที่มีการล่างพรานกันเป็นการใหญ่มีคนล้มตายกันนับกันไม่หวัดไม่ไหวนั้นเราแยกย่อยออกไปก็เฉพบว่าล้วนเกิดขึ้นจากการกระทําที่เป็นการทําลายชีวิตทํำลายทรัพย์สินล้วงเกินในทางประเวณีมีกา ร, รโกงหลอกลวงกัน จะตกเป็นทาตุของสิ่งเสบติดทั้งหลายจะมีความสลับซับซ้อนรุนแรงซ้ำซ้ำซากๆจนกลายเป็นปัญหาทาวรที่ยากต่อการแก้ไขในทีาหากว่าจิตใจของบุคคลมีการสำรวจระหว่างตามบทบัญญัติของสิ่งก็จะมีความสงบเยกเย็น เ ร, เรียกว่าเย็นกายเย็นใจคือจะไปในที่ไหนจะอยู่ในที่ไหนก็ไม่ค่อยกลัวค่อยกลัวภยัยกลัวอันตรายอะไรดังนั้นเราจึงพบท่านผู้มีศีลที่สามารถนอนอยู่ในที่ต่งางๆตามป่าตามเขาตอนดืมโคนไม้ดิมต้นไม้ต่างๆและไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวที่กันผู้นั้นจะถูกฆ่าถูกตกอันตรายแต่แต่คนที่มีการละเมิดศีล มีการล่วงศสีลกันอยู่คนร น, นั้นจะอยู่ในสถานที่เหล่านั้นไม่ได้เพราะจิตใจจะไม่สงบมีความวิตกตกังวลเดือดร้อนต้องหาที่ปลอดภัยปลอดอันตรายจะถึงต้องมีการรักษาคุ้มครองป้องกันนั่นก็คือรูปแบบของชีวิตที่มีศสีลไเป็นตัวกำหนด คือถ้ามีศีลเราก็สงบเวรสงบภัยสงบอันตรายได้เมื่อเราสงบความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ได้ลองสังเกตว่าใจเราก็สงบตามไปเช่นคนฆ่าคนตายมาหรือคนรักขโมยสิ่งของนอื่คนอ่ดมาจะอยู่ในที่ไหนก็หาความสงบไม่ได้แม้จะอยู่เพียงลำพังคนเดียวใจก็ไม่สงบ ได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงใบไม้กระทบอะไรก็ตกใจว่าดพี่ตกกังวดลนจะิตใจก็ตั้งมั่นไม่ได้สมาธิมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่การประพฤติผิดอย่างอื่นประพฤติประพฤติผิดทางประเวณีหรือโกหกหลอกลวงใครมาหรือว่าตกเป็นสิ่งท่าสิ่งเสพติดให้โทษยิงพกพาสิ่งเสียดและโทษไดดยแล้วจะไม่มีความสงบเกิดขึ้นปัญหาเหล่านี้ยังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ได้ถามมาทำไมคนจึงมีการลเัเงิดศีลมีการล่วงศีลมีพฤติกรรมที่รุนแรงแล้วก็ตอบได้ว่าเพราะความคิดเขาในขณะนั้นมีความโลภจัดไปมีความโกรธจัดไปมีความหลงจัดไปถ้าในช่วงใหนขนาดใดที่มีการจับยั้งชั่งใจได้เหตุผลมีสติปัญญาคอยนิยรังใจเอาไว้ การกระทำการกระทำเช่นนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ความเดือดร้อนที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําผิดก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะสิ่งนั้นหลายมันเป็นกระบวนการของมันเมื่อไม่มีหนึ่งมันก็ไม่มีสองมีสองก็ไม่มีสาไม่มีการทยอยกันไปเป็นคลื่นวัฒนธรรมพุทธศาสนาจึงมุ่งตัดไปที่ตัวเหตุเพราะจริงๆแล้วสีนั้นไม่ใช่ตัวเหตุมันเป็นตัวอาการ การละเมิดศีลเป็นตัวอาการของกิเลสการมีศีลก็เป็นอาการของการสำรวมระวังแต่จริงแล้วยังไม่เข้าถึงใจเพราะการมีวัด ร, ระดับสมถกรรมฐานคือการทําใจสงบนั้นก็ต้องการจะให้ถึงใจคือใจมันสงบความโลภความโกรธความหลงอย่างน้อยก็ไม่ทําปฏิกิริยาต่อจิตเพื่ อ, อ จ, จะทําปฏิกิริยาบ้างก็ควบคุมเอาไว้ไม่ถึงออกมาทางกายกับทางวิจาร แต่ในวการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะรูปแบบของการนั่งสมาธิแต่ถ้านั่งสมาธิได้ก็เป็นการดีเนื่องจากชีวิตของคนเราไม่อาจจะอยู่คือนั่งสมาธิอยู่ได้ตลอดในขณะที่ปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดคือเราอยู่ที่ไหนก็ได้แต่หากว่าจิตใจลุ่มแก่อำนาจของอารมณ์แล้วปัญหามันก็พร้อมจะเกิดขึ้นเป็นตามปกติแล้วจึงมีการสอนระดับอีกระดับหนึ่ง คือต่อมาจากที่่าวแล้วด้วย ม, มีการพยายามสํารวมระวังสํารวมระวังอะไรปรัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั้นผูนสังเกตว่ามันจะมาจากสองทางใหญ่ๆทางหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มากระตุ้นจากข้างนอกซึ่งมาผ่านมาทางประสาทสัมผัสทางห้าคือทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกาย แต่แม้จะผ่านมาถ้าหากว่าใจเราไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะสิ่งเหล่านั้นมนเป็นวิธีของธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่ามีบุคคลประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ไม่มีปัญหากับอารมณ์ภายนอกนั่นคือคนระดับที่เป็นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะที่มั่นคงจริงๆก็คือระดับพระอรหันต์ นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะแกว่งไปตามหน้าของอารมณ์ที่มากระทบนั่นก็คือจิตใจที่ไปรับไปรับรู้ไปกำหนดไปให้ความสำคัญตามที่เขานำเสนอยกตัวอย่างที่มีการโฆษณาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราก็เฉยๆเราไม่สนใจความอยากซื้ อ, อยากดูอยากชมสินค้านั้นก็ไม่เกิดขึ้น แต่เราเกิดสนใจแล้วก็ปรุงใจตามคำโฆษณาของเซนแมนของคนที่มาโฆษณาสินค้าเรลาทั้งความอยากว่าเคยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและในสุดถึงจุดหนึ่งก็ต้องเอาตัวไปต้องนั่งรถไปต้องเดินไปหรืออาจจะต้องวิ่งไปถ้าหากว่าปลุกราวกันแรงเพื่อจะดูเพื่อจะดมเพื่อซื้ อ, อหาสิ่งเหล่านั้นพอไปถึงก็มีการโฆษณากันอีก ในสถานที่นั้นใจมก็ถูกปลุกร้าวให้เกิดความอยากอีกเพราะฉะนเราสังเกตว่าเราไปในสถานที่ใดก็ตามจะไม่ซื้อสินค้าที่เราตั้งใจไว้เพียงอย่างเดียวแต่หากว่ามีเงินเหลือแล้วก็อาจจะซื้อเพิ่มทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจถูกยั่วให้อยากเกิดขึ้นในสถานที่นั้นเพราะนั้นใจในลักษณะนี้เองที่ท่านสอนให้มีวิธีแก้ปัญหาเอาไว้ อารมณ์จากข้างนอกที่เรากระทบคือผ่านมาทางภาษาสัมผัสนั้นคงหลีเกเลี่ยงไม่ได้ที่จริงแล้วคงหลีเกเลี่ยงยากเพราะสะภาพแวดล้อมความไม่อาจจัดเยียดความหนานแน่นของจำนวนประชากปรปัญหาเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่มีสื่ออะไรต่อเตยต่างๆมากมายได้เกิดปัญหาสำคัญคื อ, คคอท่านไม่ให้สนใจไมใ่ใส่ใจใจไม่เปิดับ มันเหมือนกับเราเดินไปจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งเราสนใจเฉพาะเรื่องที่เราต้องรับตรงไหนจะข้ามถนนตรงไหนจะขึ้นรถตรงไหนจะลงสถานที่นั้น น, นเราก็สนใจเฉพาะเรื่องของเราเหตุาการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเส้นทางนั้นแม้จะเกิดขึ้นตามปกติตามธรรมชาติของเขาแต่เราก็ไม่รู้ปีจารเราจะไม่อ่อนไหวไปจะไม่เกิดความยินดียินร้ายอา ร, รเรา่านถ้าถามว่าทไมพระใจมันไม่ได้รับรู้ ไม่ได้สนใจใส่ใจตั้งเหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสนใจใส่ใจขึ้นมาแล้วใจเราก็โจนเข้าไปรับเรื่องเหล่านั้นเรื่องมันเกิดในสถานที่หนึ่งแต่มันติดใจเราไปถึงสถานที่หนึ่งจ่เรียกว่าจําเราจำมาไว้บางทีหลายวันก็ไปเก็บเก็บไปเหนียวนึกตึกนตรงนี้อาจจะเกิดความดีก็ได้อาจจะเกิดความชั่วก็ได้ แต่ในกรณีของการเหนียวนึกสือนึกแล้วเกิดความดีท่านก็อนุโมทนาสาธุการให้การศึกษาเราเรียนการสรดับสระฟังสิ่งที่เป็นสารแก่นสารที่จริงมันก็ผ่านทางภาษาสาัมผัสเหมือนกันแต่รารับรู้ไปแล้ว ม, มันเกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราให้มีความประณีตขึ้นท่านก็อนุโมทนาการสำรวมระหว่างนั้นคือมุ่งเน้นในการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเลย เพราะถ้าเราจำอะไรเอาไว้เราจะคิดตามนั้นคนเราจะคิดนอกประสบการณ์ตัวเองไม่ได้ดังนั้นเวลาเราได้ยินได้ฟังเช่นสมมติว่าเขาบรรยายภาพทิวทัศน์แงดงๆหนึ่งแล้วให้เราเขียนออกมาเป็นภาพข้อความที่บรรยายนั้นที่จิงเหมือนกันแต่เวลาเราเขียนออกมาจะเขียนได้ไม่เหมือนกันทำไมเพราะว่า จินตนาการของเรานั้นอาศัยประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาแล้วเราจําไว้เราคิดไปตามนั้นเวลาเขียนเราก็เขียนไปตามที่เราได้เก็บสะสมเอาไว้ในภาพที่บรรยายจะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็ตามก็ก็ขีดความสามารถในการขีดเขียนภาพเราไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็จะมีความแตกต่างกันไปใหญ่นั้นแสดงเห็นว่าความคิดของเราก็ขึ้นอยู่มากับสิ่งที่เรารับสิ่งที่เราจําแล้วก็นํามาคิด นล้กลายเป็นความรู้ตรงนี้แม้จะมีเรื่องตั้งสี่เรื่องคือมีการรับมีการจำมีการคิดมีการรู้แต่ปัญหาใหญ่ที่ท่านสอนป้องกันมากก็คือสอนในตัวในตอนที่เรารับเพราะอะไรพเพราะารับอย่างไงาก็จำไว้อย่างนั้นจำไว้อย่างไงก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างไงก็รู้อย่างนั้นรู้อย่างที่เรารับที่เราจำที่เราคิดไม่ได้รู้นอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านั้น นี่เป็นวิธีการในการสอนให้เกิดสัง b o r d ่ r e เป็นการป้องกันไว้ไม่ให้เกิดภยัยเกิดอันตรายในตอนตอน้นแต่ประสาทสัมปัตเราที่เห็นรูปฟังเสียงแล้วเกิดสิ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลเป็นสิ่งดีงามก็เป็นการสอนให้กระทำเพราะว่าความดีมันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเดียวกันแนวของสมถะภาวนา คือแนวที่ตั้งใจสงบระลึกอยู่กับอารมณ์ที่จริงจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้พระเจ้าทรงสอนจำแนกประเภทอารมณ์เอาไว้ทั้ง40ประเภทด้วยกันหมายความว่าใช้ประสาทสัมผัสตทางตาก็ได้โดยใช้การเพ่งดูสิ่งโดดนั้นซึ่งเป็นรูปธรรมเช่นเพ่งดูสีต่างๆเพ่งดูดินน้ำลงไฟ เพื่อใจสงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันคล้ายๆกับเราทํางานวิเราะห์วิจัยอะไรแล้วใจสงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีเสียงพูดเสียงเดินเสียงดังเราก็ไม่ได้ยินเพรตามปกติแล้วใจแกจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรแกก็คิดได้แเฉพาะเรื่องเดียวพียงแต่เราคิดได้เร็วมากขณะของใจนั้นเร็วมากๆทําให้เรามีความรู้สึกคล้ายๆจะคิดได้หลายอย่างแตจริงแล้วจะคิดได้เพียงด้านเดียว เพียงแต่เขาคิดได้เร็วอารมณ์ที่ใช้นิยมกันมากเป็นพิเศษก็เป็นอารมณ์ที่พระเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อก่อนที่จะจัสรู้เป็นพระพุทธเจา้านั่นคือหลักที่เรียกว่าอนาปานสติกรมัตตเป็นการใช้สติสัมปชัญญะความเพียรลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก เป็นกรรมฐานที่สากลในคราวสมัยพุทธกาลเองเมื่อทรงพระชน์อยู่เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุสา ม, มนเณรหรือแม้แต่กรวาวัตโดยการเลือกอารมณ์ที่ไม่ถูกอริยิปฏิบัติไปแล้วจิจใจไม่สงบมีความกัดแกวงมีความ ร, าร่ารรอนพระเจ้าก็จะย้อนกลับเข้ามาให้ดูที่ลมหายใจเขา โดยการตั้งสติเราเลึกรู้อยู่ที่ลมลงหายใจเข้าออกขอเราดันที่จริงแล้วมันก็คือลมหายใจเข้าออกมันเป็นปกติธรรมดาของมันคนเรามีจังหวะในการหายใจไม่เท่าเทียมกันแต่แม้แต่คนคนเดียวกันสภาพการทางร่างกายนั้นจะบังคับให้การหายใจมีจังหวะเร็วช้าไม่เหมือนกันที่เราเหนื่อยร่างกายต้องการลมมากเราก็หายใจเร็ว ยามปกติธรรมดาจะมีการพักผ่อนมีสุขภาพบลานามัยดีร่างกายไม่มีปัญหาอะไรก็าหายใจช้าๆการตั้งสติระลึกก็ระลึกตามที่มันปรากฏวิธีการนทำบูชาหนานั้นไม่ไปจัดอะไรเขา้าคือสิ่งอะไรมันมีอยู่อย่างนั้นเราไปใช้ประโยชน์อย่างนั้นบางที่ทรงสอนให้ดูกระแสน้ำแต่มันไหลกระแสน้ํามันไหลมันก็ไหล แต่เราตั้งสติดูที่กระแสน้มซึ่งไหลแล้วมองไปเกิดความสงบก็คือมองเฉพาะจุดที่มันไหลผ่านตาเราเท่านั้นไม่ได้สายตาขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้แต่ใจสงบอยู่กับกระแสน้มที่เรามองกระทบดอหน้าเราเท่านั้นเพราะถ้ามองไปทางเหนือทางใต้นา้าใจเราก็แขวนใจเราก็วิ่ง หี่จะมองใบไม้ก็มองใบไม้ท่าที่มันปรากฏมองดินก็ดูดินถ้าที่มันปรากฏหรือน้ําใส่ภาชนะข้าก็นั่งดูก็ดูน้นําที่มันป ร, กนรนนากฏอย่างในปัจจุบันที่จริงพวกเอาพวกอารมณ์เหล่านี้หรือพวกอุปกรณ์เหล่านี้มันก็มีอยู่บ้ากเราไม่พอใจจะดูลมหายใจเข้าออกก็ อ, อาจจะใช้ทำเป็นวงกลมกระดาษวงกลมสีเขียวเขียวสีที่มันเย็นตาเย็นตาลก็นั่งมองดู ใ, ใจสงบพักใจอยู่สักห้านาทีสิบนาทีเรื่อยๆโดยใช้ไปในการทําใจสงบเพื่อใช้ความสงบเดี๋ยนั้นไปปฏิบัติาภารกิจการงานเราคือการฝึกใจในแนวของกรรมฐานนั้นที่จริงไม่ได้มุ่งมรคนิพานไปอย่างเดียวถึงมรคนิพานนั้นเป็นเรื่องจุดหมายปลายทางแล้วก็ไกล ส่วนมากก็จะเน้นผลเป็นระดับระดับไปก็ เ, เรียกว่าตามกำลังความสามารถที่เราจะทำได้จะน้อยที่สุดเนี่ยช่วยให้ใจได้พักผ่อนใจได้มีความสงบไม่วิ่งไ ม, ไม่วิ่งพร่านไปในอารมณ์ต่างๆไม่เหนียวนึกตึกนึกแล้วมีความเราร้อนเกิดขึ้นเพรารนใจ ังใจระลึกดูลมที่ผ่านมาทั้งขาเข้าและขาออกในพระบาลีจริงๆเฉพาะที่เป็นพุทธวจนะจะสอนแนวเดียวเราหายใจเข้ายาวเข้าออกยาวสั้นก็ตามไม่ตั้งสติระลึกรู้ไปที่ลมหายใจเข้าออกเหล่านั้นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ แต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยค่อนข้างทำยากเพราะพระโบราณอาจารย์คือพระอาจารย์ในรุ่นหลังท่านก็ฝึกปรือมาโดยวิธีนี้แต่ท่านเห็นว่าคล้ายๆมันก้าวขระโจทย์เราไม่มีบุญญาบา ร, รมีขนาดนั้นเราก็ทำไม่ได้ใจสงบได้ยากท่านก็สอนเริ่มต้นมาจากการหัดนับ เมื่อก่อนเนี่ยก็นับเลยไปเลยนับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยจนพระพุทธศาสนาบางนิกายเ่นิกายมายานเน้นวิธีการนับรูปประคำมาก่อนซึ่งว่าจริงการนับรูปประคำพูดเป็นเล่นไปก็ไม่ใช่ง่ายนักเหมือนกันรูปประคำส่วนใหญ่มันจะมีร้อยแปดู แล้วถ้านับไปทุกรอบมันจะต้องได้ร้อยแปดลูกทุกครั้งแต่เมื่อเราเอามานับจริงๆปรากฏว่าไม่ใช่ธรรมดาเพรในใจเราไม่สงบในนับยุ่งไปหมดบางทีลูกประคำร้อยแปดลูกนับได้ทั้งร้อยี่สบางทีนับได้แค่9ก้าสิบกว่าๆแต่นั่นเองวันาะถ้าก็ฝึกนับจนทุกครั้งนี่ได้ร้อยแป การนักรรมฐานเนื่องจากเป็นการฝึกใจตัวเองว่ามีสติหรือไม่มีสติจึงไม่มีการวัดผลจากคนอื่นแต่วัดผลด้วยใจตัวเองคือเรารู้ก็เราเรานับถูกหรือไม่ถูกเรียกว่ามีสัจจะในส่วนตัวเองนับผิดก็ลงโทษตัวเองนับใหม่นับถูกก็ต้องพยายามรักษาความถูกเอาไว้แล้วไม่ยอมให้เกิดผิดพลาดถ้าเกิดผิดพลาดก็นับกันใหม่นับให้ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นเรื่องการฝึกตนเองไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครไปให้คะแนนแต่เรารู้ด้ใจของเราเองแต่สายเทระวัตเราไม่เน้นในเรื่องของลูก ป, ประคำแต่เน้นที่การนับลมหายใจเข้าออกเป็นชุดชุดเป็นคู่คู่โดยชั้นแรกก็เรียงนับหนึ่งหนึ่งสองสสามสามสสี่ห้าห้าแล้วก็นับหนึ่งหนึ่งใหม่จะถึงหกหก หนใหม่ถึงเจ็ด็ดหนึ่งหน่งใหม่ถึงแปดแหนึ่งหใหม่ถึงเก้าหนึ่งหใหม่ถึงสิบสแล้วหนึ่งหนึ่งหใหม่ถึงห้าห้ามีการตรวจสอบดูตัวเองอยู่ทุกขณะจะต้องไม่พลาดไม่เผลอจริงๆโอกาสครั้งโอกาสเผาดโอกาสเผลอนั้นที่จริงมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะเช่นเที่ยวนี้เราต้องการจะนับหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ เราจะลังเลเมื่อนับไปถึงหกหหรือลังเลเมื่อนับไปถึงเจ็ดเจ็ดหรือเผลอไปถึงแปดแปดจุดที่เราชั ง, งักจุดที่ลังเลจุดที่ไม่แน่ใจนั้นที่จริงเวลามันก็ผ่านไปหลายวินาทีในแง่ของการปฏิบัติภารกิจการงานที่เกี่ยวเครื่องยนต์กลไกเกิดอุบัติเหตุได้แล้วมาความการขาดสติขณะนั้นถ้าเราไปเกี่ยวข้องเครื่องยนต์กลไกเกี่ยวกการขับรถเกี่ยวกับ อะไรก็ตามเนี่ยเราพร้อมจะตายได้แล้ววัาการฝึกปรือตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนการฝึกปรือเรื่องอื่นๆมันมีสนามในการฝึกปรือในเรื่องเหล่านั้นเช่น ก, การฝึกปรือในเรื่องการเล่นกีฬาเราฝึกที่สนามใดสนามหนึ่งสักแห่งหนึ่งและเวลาไปเล่นเราก็เล่นได้ทั่วโลกการฝึกจิตในลักษณะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน จนถึงระดับหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอนุบันทนาคือตามลมไปหายใจเข้าลมเข้ามายังไงก็ตามดูไปหายใจออกก็ตามดูไปใจเข้าก็ตามดูไปเวลาที่นิยมกันมากปฏิบัติกันแทร่หลายนั้นก็คือการภาวนาวัพุตโธหายใจเข้าว่าพุตหายใออกวัพุตหรือหายใจเข้าพุตโตหาจะ อ, อพุตโธตามตามจังหวะลมหายใจเข้าออก แต่การตั้งสติจริงๆก็ตั้งสติอยู่ที่พุทโธเพราะคงจะไประลึกทั้งลมทั้งพุทโธก็คงจิตมันก็วิ่งเพื่อจะดูที่ลมก็ได้แล้วดูที่ตัวพุทโธก็ได้แต่ก็ดูในจุดใดจุดห น, นึ่งเพื่อจิตใจมีความสงบแต่ถามว่าความสงบที่เกิดขึ้นนั้นใครเป็นคนรับรู้เราก็เป็นคนรับรู้กองเราเองลักษณะผลเหล่านี้จึงเป็นเหมือนปร ะ, ประสาทสัมผัสส่วนอื่น เราเห็นรูปด้วยตาเราก็เห็นคนเราเองคนอื่นมาเห็นแทนไม่ได้เราเห็นแทนคนอื่นไม่ได้เราฟังเสียงด้วยหูเราก็ฟังของเราเองแทนใครก็ไม่ได้เหมือนกันสูดดมกลิ่นด้วยจมูกก็จมูกคนเราเองเรารู้กลิ่นเองลิ้มรสด้วยลิ้นเราก็รู้เองเรี่ยวหวานมันเค็มเราก็รู้เองจะต้องเย็นร้อนหรือแข็งเย็นยังไงร้อนยังไงแข็งยังไงยึดเหนียวยังไงแต่ละคนก็ต้องรู้ด้วยตัวเองคือจับแทนกันไม่ได้ หรือเมื่อเราจับไปแล้วเราปฏิบายคนอื่นมันเหนียอย่างนั้นมันหวานอย่างนั้นมันเค็มอย่างนั้นรู้จริงจริงเนี่ยรู้ไม่ได้รู้เป็นเราเราเนี่ยก็ได้เราการบำบัดสมาธิก็คือสัมผัสทางใจคล้าย ๆ, ๆเราสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มด้วยลิ้นขนองเราการสัมผัสความสงบเป็นเรื่องสัมผัสทางใจของผู้ปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นว่าจิตใจเราสงบ ทีนี้สมมติว่าคนที่ทําจิตใจสงบแล้วไปทํางานอย่างอื่นไปพิมพ์ติตไปเขียนหนังสือไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไปขับรถไปหุงอาหารไปทําอะไรก็ตามจิตใจก็จะมีสมาธิไม่วอกแวกเกินไปไมสส่สับสนเกินไปไม่กระสับกระส่ายจนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าใจที่ตั้งมัน่นใจที่สงบ ความคิดนั้นจะอยู่กับธรรมะคือจะอยู่กับสติอยู่กับสัมมัญญะอยู่กับความเพียนที่มีการประสานงานกันไปอย่างตอ่อเนื่องเมื่อเราปฏิบัติได้เราทำได้เป็นการรักษาสุขภาพถ้าว่ามีความประนีตมากขึ้นไปกว่านั้นท่านก็เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ปัจจุบันไหนคือปัจจุบันที่เรามีสมาธิปิดใจ ว, ว่าวุ่นสับสนไม่ค่อยสงบคุนวายอะไร้ก็นั่งสมาธิเสียในขณะนั้นเราก็อยู่เป็นสุขในขณะนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าบางท่านที่ต้องการสุขมากๆต้องกันหนีเข้าป่าเลยเจริญฌานเรียกว่าเจริญฌานคืออยู่กันนานๆานว่ากันนานนาน เข้าไปอยู่ในสมาธิตัดอารมณ์ข้างนอกไม่สนใจใส่ใจข้างนอกซึ่งก็ทําได้สำหรับบางคนแต่คนโดยทั่วไปแล้วก็ต้องมีภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทำสมาธิจึงเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของจิตในการจะควบคุมอารมณ์ในการจะเสริมสร้างให้เกิดความสงบในการที่จะนําพลังของสมาธิที่เกิดขึ้น ไปใช้ในกิจประจําวันในภารกิจการงานที่เราจะต้องจัดจะต้องทําแต่แม้ในตัวงานานั้นนนัเองมันก็ใช้สมาธิอยู่แล้วเพราะฉั้นแต่เรามีสมาธิเป็นหลักแต่ถือของจะหยิบของจะช่วยของจะเดินจะเหินมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดความพลั้งพลาดการหกล้มการหลุดการตกการแตกต่างสิ่งเดียวนั้น ที่เจ้าทรงอุปมาเมื่อการประคองบาทที่เต็มไนด้วยน้ำมันได้ต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป